เรื่องบุญที่ได้พบมหาบุรุษผู้เป็นอัศจรรย์โดยบรรณศาลาที่มาของบรรณศาลา บรราศาลาเป็นนามแฝงของชายคนหนึ่งอายุไม่มากมีใจฝักใฝ่มั่นคงในพระพุทธศาสนามีศรัทธาต่อองค์พ่อแม่ครูอาจารย์เช่นเดียวกับท่านทั้งหลายเป็นผู้มีประสบการณ์ในชีวิตอย่างโชคโชนเกินวัยเช่นเดียวกับนุ่นและอีกหลายหลายคนในหนังสือนี้ต้องการเล่าประสบการณ์ของตนเองเพื่อให้เป็นวิทยาทานแก่ผู้อ่านในความมักง่ายพลังเผลอ ในชะตากรรมของบิดาและบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรื่องเล่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงที่แต่ละคนได้ประสบด้วยตนเองอาจจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อสําหรับคนที่ไม่เคยประสบแต่ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับเขาเหล่านั้นท่านไม่ต้องเชื่อตามที่ได้อ่านหรือได้ฟังแต่ขอให้มีสติในการอ่านและฟังและพิจารณาด้วยตัวท่านเองหากจะถามว่าผมเชื่อหรือไม่ผมขอตอบท่านว่า ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ละหลายครั้งของบรรณาศาลาและผมยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงลงชื่อคุณหลวง